จเจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกๆ ท, ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่27กุมภาพันธ์พุทธศักราช2554เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้มาวัดเพื่อมาสร้างคุณธรรมความดีงามเพื่อความร่มเย็นเป็นสุข เพื่อความเป็นเสริมงคลให้แก่ชีวิตเพราะการมีคุณธรรมนั้นจะทำให้เราตั้งอยู่ในความสงบตั้งอยู่ในความสุขนั่นเองถ้าปราศ จ, จากคุณธรรมแล้วจิตใจของเราก็จะมีว้าวุ่นขุ่น ม, มัวเช่นถ้าเรามีความโกรธความเกลียด ความแค้นความอาฆาตพยาบาทความเห็นแก่ตัวความอิดช้าหรือสยาเราก็จะมีแต่วความว้าวุ่นโผนบัวอยู่ตลอดเวลาเราจึงต้องมีคุณธรรมที่จะมาระงับความโกรธความเกลียดความอาฆาตพยาบาทความเห็นแก่ตัว และความหิตราริศยาด้วยการเจริญคุณธรรมสี่ประการที่เรียกว่าพรมวิหารสี่มีหนึ่งเมตตาสองกรุณาสามบุดิตาสี่อุเบกขาคุณธรรมเหล่านี้จะทำให้เรารู้จักกับการปฏิบัติ กับเหตุการณ์ต่างๆกับบุคคลต่างๆให้เกิดประโยชน์เกิดความสุขทั้งกับตัวเราเองและกับผู้อื่นถ้าเราไม่มีคุณธรรมทั้ง4ประการนี้แล้วการกระทาของเรามักจะสร้างปัญหาสร้างความวุ่นวายสร้างความทุกข์ ให้กับเราและกับผู้อุ่นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พุทธศาสนิกชนหมั่นจเจริญพรหมวิหารสีอย่างสม่ำเ ส, ส, ส, สมอเวลาที่เราส่วนบนไหว้พระและเราจเจริญบทพรหมวิหารสีคือสัพเพสัตตาอาเวลาหอมตุเป็นต้นนี่เป็นการซ้องเป็นการสอนใจ เป็นการเตินใจยังไม่ได้เป็นการาจเจริญคุณธรรมที่แท้จริงการจเจริญคุณธรรมที่แท้จริงนี้ต้องอยู่ในเหตุการ์เช่นเวลาที่เราพบกับบุคคลต่างๆอยู่กับเหตุการณ์ต่างๆหรือเมื่อเหตุการ์เหล่านั้นมีความจำเป็น ที่เราจะต้องมีคุณธรรมแสดงคุณธรรมเหล่านี้นั่นแหละเป็นเวลาที่เรากำลังแผ่คุณธรรมเหล่านี้เช่นเวลาเราพบปะกับบุคคลทั่วๆไปโดยพื้นฐานท่านก็ให้มีเจริญแผ่ความเมตตาคือความปรารถนาดีแก่ผู้อื่นให้คิดดีพูดดีทดําดีต่อผู้อื่น เช่นเจอกันก็อาจจะมีการทักทายกันสวัสดีกันเวลาแยกทางกันก็มีการลากันสวัสดีกันนี่เป็นการแสดงความปรารถนาดีเรียกว่าเมตตาความเมตตานี้ก็คือความปรารถนาดีอยากให้ผู้อื่นมีความสุขไม่อยากให้ผู้อื่นมีความทุกข์ ไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่อาฆาตพยาบาทจองเวนจองกรรมต่อผู้อื่นอย่างนั้นเวลาที่ผู้อื่นกระทำอะไรที่ทำให้เรามีความโกรดก็ให้ให้อภัยอย่าไปจองเวนสับเบสัตตาอเวราหงตุใครเ็าพูดอะไรเขาทำอะไร แล้วทำให้เราเกิดความเครียดแค้นขึ้นมาเกิดความโกรธเคืองขึ้นมาก็อย่าไปทำร้ายเขาอย่าไปพูดร้ายกับเขาให้เราแผ่เมตตาด้วยการพูดดีทำดีกับเขาถ้าเราไม่สามารถที่จะพูดดีหรือทำดีได้ก็ให้เจริญอุเบกขาภาวนา อุเบกขาทมไปก่อนคือการวางเฉยทำใจให้เป็นกลางไม่รักไม่ชังไม่โกรธไม่เกลียดทำใจให้เฉยๆไว้ถ้าเราไม่สามารถแผ่ความปรารถนาดีความดีคือพูดดีทำดีให้บุคคลที่ทำให้เราโกรธแค้นโกรธเคืองได้ก็ขอให้เราทาใจ ให้เป็นอุเบกขาวางเฉยไว้ก่อนด้วยการสวดมนต์ไปภายในใจก็ได้หรือด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปภายในใจอย่าไปคิดถึงคนที่ทำให้เราโกรธอย่าไปคิดถึงเหตุการณ์ที่ทำให้เราโกรธ ถ, ถ้าเราสามารถที่จะปลีกตัวไปหาหมุสม่สงบ ที่ไหนสักแห่งหนึ่งเพื่อระงับความโกรธความพยาบาท <c oughs> ก็ควรที่จะเปลีดตัวออกไปอย่าไปคิดว่าเป็นการพ่ายแพ้ต่อผู้ที่เขาคมเหงรังแกห ร, รือทำร้ายเรา <c oughs> เพราะว่าการที่เราจะไปมีเรื่องมีราวกับบุคคลต่างๆนั้น ไม่ได้เป็นการชนะแต่เป็นการสร้างเวรสร้างกรรมสร้างความทุกข์สร้างความยุ่มร้อนใจให้มีมากขึ้นไปเรื่อยๆเราต้องถอยเราต้องปลีกตัวไปหามุมสงบแล้วทําใจของเราให้สงบท่านสอนให้เราชนะใจเราชนะความโกรธ ไม่ให้ไปชนะผู้อื่นด้วยการไปทาร้ายข่มเหงรังแกกันแกล้งผู้อื่นเพราะนั่นไม่ใช่เป็นการชนะที่แท้จริงการชนะแบบนั้นเป็นการสร้างเวรสร้างกรรมสร้างศัตรูให้มีเพิ่มมากขึ้นไปแต่การชนะใจเหล่านี้เป็นการชนะที่แท้จริงเพราะเราจะ ไม่ได้ไปสร้างเวรสร้างกรรมแก่ผู้อื่นไม่ได้ไปสร้างศัตรูแก่ผู้อื่นนั่นเองแล้วเราก็จะอยู่ได้อย่างสงบร่มเย็นเป็นสุขถ้าเราไปทําร้ายผู้อื่นไปกล่าวร้ายผู้ก็จะเกิดการอาฆาตพยาบาทต่อกันละกันเกิดการทําร้ายต่อกันละกัน ทำให้ไม่สามารถอยู่อย่างปกติสุดได้จะต้องคอยกังวลว่าจะถูกเขาทำร้ายเมื่อไรถูกเขากันแก้งเมื่อไรถูกเขามาทวงเอาสิ่งที่เราทำกับเขาไปเมื่อไรถ้าเราไปต่อสู้กับผู้อื่นก็เรากจะไม่มีความสุข จะอยู่ไม่เป็นสุขแต่ถ้าเราต่อสู้กับความโกรธความเกลียดความอาฆาตพยาบาทของเราด้วยความเมตตาคือให้อภัยไม่จองเวรไม่เบียดเบียนผู้อื่นใจของเราก็จะสงบเย็นและมีความสุขแล้วผู้ที่เราโกรธเราเกลียดเขาก็จะไม่มาจองเวรจองกรรมกับเรา พอเขาได้ทำในสิ่งที่เขาอยากจะทำแล้วคือเวลาเขาโกรธเขาได้ระบายความโกรธของเขาไปแล้วเขาก็จะหายโกรธเขาก็จะไม่มาจองเวรจองกรรมเราอีกต่อไปเพราะเวรกรรมที่เขามีอยู่ในใจนั้นเขาได้ระบายออกไปแล้วหมดไปจากใจของเขาแล้วนี่คือวิธีที่ ระงับเวงกันที่แท้จริงต้องระงับด้วยการไม่จองเวงเวณย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวงแต่เวงย่อมระงับด้วยการไม่จองเวงนี่คือเรื่องของความเมตตาไม่ว่าใครก็จะทำอะไรเรารุนแรงขนาดไหนก็ตามก็อย่าไปโกรธแค้นโกรธเคือง อย่าไปอาฆาตพยาบาทอย่าไปทำร้ายเขาท่านให้สอนท่านสอนให้เราคิดอย่างดีว่าถ้าเขาไม่ชอบเราก็ขอให้คิดว่าดีแล้วที่เขายังไม่ด่ารเรา <cks. S 1> ถ้าเขาด่าเราก็ขอให้คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ตีเราถ้าเขาตีเราก็าให้คิดว่าดีแล้วที่เขายังไม่ฆ่าเราถ้าเขาฆ่าเรา ก็ว่าดีแล้วเพราะว่าคนเราทุกคนเกิดมาไม่ช้าก็เลยก็ต้องตายจากกันไปจะได้หมดเวรหมดกรรมกันไปถ้าเราคิดอย่างดีแล้วเราก็จะตั้งอยู่ในอุเบกขาทำได้คือไม่ไปตอบโต้และเราก็จะสามารถเจริญเมตตาทำได้คือให้อภัยแก่เขา เมื่อเราให้อภัยได้แล้วใจของเราก็จะสงบเย็นสบายไฟนรกคือความโกรธความเกลียดความมาคาตพยาบาทก็จะถูกน้ำธรรมะคือการให้อภัยนี้ระนับดับได้อย่างสิ้นเชิงนี่แหละคือการชนะที่แท้จริงต้องชนะที่ตัวเราชนะตนเป็นยอดท่านสอนไว้ ชนะผู้อื่นต่อให้ชนะเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านครั้งก็จะไม่ให้เราอยู่อย่างสงบล่มเย็นเป็นสุดแต่จะสร้างความโกรธความเกลียดสร้างศัตรูที่จะมาคอยจองเวรจองกรรมกับเราไม่มีวันสิ้นสุดดังนั้นขอให้เราพยายาม เจริญเมตตาแผ่เมตตาในขณะที่เราอยู่ในเหตุการณ์จริงๆคือเวลาเราพบปากกับใครเราก็ทักทายกันถ้าเราไม่อยากจะทักทายเราก็ทําใจให้เฉยๆไม่ต้องไปด่าเขาไม่ต้องไปแยกเคี่ยวสส่เขาถ้าเราไม่ชอบที่หน้าเขาแล้วเรายังไม่สามารถที่จะยิ้มแย้มทักทายเขาได้ ก็ขอให้เราทำใจเฉยๆทำไม่ต้องไปสนใจกับเขานะก็แล้วกันแต่อย่าไปพูดร้ายทำร้ายเพราะว่ามันจะเป็นการสร้างเวรสร้างกรรมสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจไม่ให้มีที่สิ้นสุดตายไปแล้วไปเกิดพบหน้าชาติหน้าเจอกันอีกก็ยังจะจองเวรจองกัน ตามกันอยู่อย่างนั้นไปจนกว่าเขาจะได้ระบายความอาฆาตพยาบาทความโกรธความเกลียดที่เขามีกับเรานั้นให้หมดสิ้นไปได้ก่อนถึงจะหมดเวรหมดกรรมกันได้ถึงแม้เราจะให้อภัยเขาหรือขอเขามากับเขาแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะให้อภัยเราเลิกจองเวรกับเรา เรื่องนี้เป็นเรื่องของเขาเราไปบังคับเขาไม่ได้แต่การให้อภัยของเราการไม่จองเวรของเรานี้จะมาระ ง, งับไฟนรกคือความโกรธความเกลียดความอาฆาตพยาบาทของเราได้ทำให้เราอยู่อย่างล่มเย็นเป็นสุขไม่หวาดกลัวกับการจองเวรจองกรรมของผู้อื่นเพราะเรามี อุเบกขาธรรมเรายพร้อมที่จะรับผลเวรผลกรรมที่เราได้ทําเอาไว้ในบทที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมมีกรรมเป็นของของตนจะทํากรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นแต่ใจของผู้ที่พร้อมที่จะรับผลของกรรมนั้น จะไม่หวั่นไหวจะไม่สะทกสะท้านจะไม่มีความทุกข์วุ่นวายใจแต่อย่างใดนี่คือการที่จะดูแลรักษาใจของเราให้อยู่อย่างปกติสุขไม่ว้าวุ่นขุนมัวไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับการกระทำต่างๆของบุคคลต่างๆนี่คือเมตตา ส่วนกรุณานี้ก็คือความสงสารวามสงสารนี้ก็มีไว้เพื่อที่เราจะได้ละความเห็นแก่ตัวคนเราถ้ามีความเห็นแก่ตัวแล้วมักจะไม่ค่อยมีความสงสารผู้อยากจะทำอะไรก็ทำอยากจะพูดอะไรก็พูดโดยไม่คำนึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น ว่าเขาจะรู้สึกอย่างไรเวลาผู้อื่นตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนก็จะไม่อยากได้จะช่วยเหลือเพราะความเห็นแก่ตัวนี้เองไม่มีความเห็นแก่ผู้อื่นพระพุทธเจ้าจึง ส, งสอนให้เรามีความกรุณาคือความสงสารเวลาเห็นผู้อื่นตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนขอให้เราช่วยเหลือกัน ว่าการช่วยเหลือการนี้เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลสร้างไมตรีจิตสร้างความความช่วยเหลือที่จะเกิดขึ้นทีหลังกับเราถ้าเราเคยช่วยเหลือผู้ไว้เวลาที่เราเดือดร้อนตกทุกข์ได้ยากผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือจากเราเขาย่อมมีความยินดี มีความปรารถนาที่อยากจะช่วยเหลือเราเหมือนกับเราเวลาที่เรามีความสุขมากๆ ม, มีเงินทองมากๆเวลาเราเจะช่วยเหลือใครเราก็มักจะคิดถึงคนที่เราเขาเคยช่วยเหลือเราก่อนเพราะเรามีความกตัญญูกตเวทีนั่นเอง เราลำลึกถึงบุญคุณของผู้ที่มีคุณกับเราเมื่อเรามีโอกาสที่จะตอบแทนบุญคุณให้แก่ผู้อื่นได้เราก็ตอบแทนกับคนที่เขามีบุญมีคุณกับเราก่อนส่วนคนที่ไม่มีบุญมีคุณหรือคนที่มีความคิดร้ายต่อเราเรามักจะไม่คิดถึงเขาฉันใดการ ช่วยเหลือผู้อื่นนั้นก็เป็นการทาให้ผู้อื่นนั้นเขามีความรู้สึกอยากจะช่วยเหลือเรานั่นเองดังนั้นอย่าไปเสียดายกับข้าวของเงินทองหรือเวลาที่เราต้องเสียไปกับการช่วยเหลือผู้อื่นขอให้คิดว่าเป็นเหมือนกับเอาไปฝากไว้ในธนาคารโอกาสหน้าเวลาที่เราตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อน เราจะไม่ต้องเอ่ยปากขอร้องความช่วยเหลือจากใครเลยมันจะไหลามาเองตามอำนาจของความกรุณาที่เราได้ทำไว้แก่ผู้อื่นนั่นเองนี่คือเรื่องของความกรุณาความสงสารอย่าทาอย่าเห็นแก่ตัวอย่าใจจืดใจดำถ้าพอจะช่วยเหลือกันได้มากน้อย ก็ช่วยไปตามกำลังของเราแล้วเราจะมีความสุขใจเพราะการให้ความสุขแก่ผู้อื่นนั้นย่อมนำความสุขกลับมาหาเรานั่นเองเหมือนวันนี้ญาติโยมมีความสงสารในพระภิกษุสา ม, มเณรผู้ปฏิบัติธรรมที่ต้องอาศัยอาหารขาวหวานเครื่องใช้ไม้ส้อยต่างๆจากญาติ พี่น้องอยากญาติโยมญาติโยมก็เลยได้เอามาให้เอามาถวายกับพระก็จะทำให้ญาติโยมมีความรู้สึกสบาย อ, อกสบายใจจึงขอให้เราพยายามให้อยู่เรื่อยๆช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เรื่อยๆแล้วเราจะมีความสุขทั้งในปัจจุบัน ในอนาคตเราก็จะมีผู้ที่จะคอยดูแลเราคอยช่วยเหลือเราจะมีเทพคอยดูแลรักษาปกป้องคุ้มครองเราเพราะผู้ที่เขาได้รับการช่วยเหลือเวลาเขาตายไปถ้าเขาเป็นเทพเขาก็จะคิดถึงเราเขาก็จะคอยดูแลรักษาเรานี่คือคุณธรรมข้อที่สองคือความการุณา ข้อที่สามก็คือมุนิตาแปลว่าความยินดีในความสุขในความเจริญของผู้อื่นตรงกันข้ามกับความอิจฉาริษยาคือความไม่ยินดีต่อความสุขและความเจริญของผู้อื่นคนที่มีความอิจฉาริษยาไม่มีมุนิตาเวลาเห็นผู้อื่นได้ดบได้ดีก็จะ มีความอิจฉาริษยาไม่อยากจะให้ผู้อื่นได้ดีความอิจฉาริษยานี้จะทำให้ใจไม่มีความสุขจะมีความหงุดหงิดลาคาญใจแต่ถ้ามีมุนิตาเวลาเห็นผู้อื่นเขาได้ดิดได้ดีมีความสุขเราก็ชื่นชมยินดีไปกับการ ได้ดิบได้ดีของเขาเราก็มีความสุขไปกับเขาด้วยและเราก็จะไม่ไปคิดร้ายพูดร้ายทำร้ายผู้อื่นถ้าเรามีความอิจชาริษยาเห็นผู้อื่นได้ดิบได้ดีได้ความเจริญก้าวหน้ามากกว่าเราเราก็จะอาจคิดร้ายกับเขากันแกล้งเขาทำร้ายเขาเพื่อไม่ให้เขาเจริญก้าวหน้า มากกว่าเราแล้วเราก็จะไปสร้างเวรสร้างกรรมแล้วก็จะถูกเขากานแกล้งคิดร้ายกับเราเราก็จะมีศัตรูเพิ่มมากขึ้นแทนที่จะมีเพื่อนเพิ่มมากขึ้นเรากลับมีศัตรูเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าเรามีความชื่นชมยินดีต่อการได้ดิบได้ดีของผู้อืน่น เราก็จะสร้างเพื่อนขึ้นมาเขาก็จะรู้สึกขอบอกขอบใจที่เรามีความชื่นชมยินดีไปกับความสุขและความเจริญของเขานี่คือมุดิตาจิตที่เราก็ส่วนใหญ่เราก็มีกันอยู่เช่นเวลาเราไปงานแต่งงานไปงานวันเกิดเราก็เอาข้าวเอาของไปอวยพรให้แก คนที่เขาแต่งงานหรือคนที่เขามีวันเกิดหรือคนที่เขาได้รับตำแหน่งที่สูงแต่ถ้าเป็นคนที่เราไม่ชอบนี้เราก็อาจจะทำไม่ได้ถ้าเราไม่ทำไม่ได้ก็ขอให้เราใช้อุเบกขาทามาลังับดับความความอิจชาริอสของเราคือขอให้เราทำใจให้เป็นกลาง ไม่ชื่นชมยินดีแต่ก็ไม่อิจฉาลิษยายกให้เป็นเรื่องของบุญของกรรมไปเขาทำบุญมาเขาทำความดีมาตอนนี้เขากำลังได้รับผลของการทำความดีของเขาเราก็ต้องยอมรับความจริงอันนี้ถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่อยากให้เขาได้ได้ดีดดก็ตามแต่เราไม่มีอำนาจวาสนา พอที่จะไปยับยั้งเรื่องของวิบากกรรมได้ไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วเมื่อทําไปแล้วย่อมต้องสมผลให้แก่บุคคลที่กระทานั้นเสมอไม่มีใครที่จะมายับยั้งได้ไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมไม่ดีก็ตามถ้าเป็นกรรมไม่ดีแล้วเกิดกับคนที่เรารัก เราก็จะต้องเศร้าโศกเสียใจถ้าเราไม่รู้จักทำใจให้เป็นอุเบกขาความเศร้าโศกเสียใจของเราก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงความจริงที่กำลังเกิดขึ้นกับบุคคลที่เรารักแต่เขาต้องประสบข้อกรรมต่างๆนั่นก็เป็นเพราะว่ามันเป็นเรื่องของผลกรรมที่เขา ได้ทำไว้ในอดีตเวลาเขาทำบาปทำกรรมในอนาคตเขาก็จะต้องได้รับผลบาปผลกรรมตกทุกข์ได้ยากลำบากลำบนนี่ก็เป็นเรื่องของกรรมถ้าเราช่วยเหลือเขาไม่ได้เราก็ต้องทำใจเราก็ต้องทำใจให้เป็นอุเบกขาอย่าเศร้าโศกเสียใจเพราะไม่เกิดประโยชน์อะไร ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงความจริงของเขาเขาเดือดร้อนเช่นเขาเจ็บไข้ได้ป่วยมีโรคร้ายที่รักษาไม่หายก็ไม่มีใครที่จะไปทำอะไรได้ไปเปลี่ยนแปลงมันได้ความเศร้าโศกเสียใจก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงอะไรมีแต่จะมากัดกร่อนจิตใจของเรา ให้มีแต่ความทุกข์ทรมานใจไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรเป็นการทำร้ายตัวเราเองแล้วถ้าเกิดความทุกข์ทรมานใจนี้ไม่ได้รับการระงับดับไปก็อาจจะทำให้เราคิดสั้นก็ได้เพราะไม่อยากจะทนอยู่ต่อไปกับความทุกข์ทรมานใจนี้ก็อาจจะถึงกับต้องฆ่าตัวตายก็ได้ เนเวลาที่เราตกทุกข์ได้ยากสูญเสียสิ่งที่เรารักไปสูญเสียสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆไปใจของเราก็จะมีความเศร้าโศกเสียใจอะไรอววรจนไม่มีความอยากที่จะอยู่ต่อไปเราต้องพยายามระงับความรู้สึกเหล่านี้ด้วยการเจริญอุบเบกขาธรรมทําททใจให้เป็นการ ด้วยการบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปหรือด้วยการสวดมนต์ไปภายในใจอย่าไปคิดถึงความสูญเสียอย่าไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆที่ทำให้เราไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจการทำใจให้เป็นอุเบกขาได้นี้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก ที่เราไม่ควรรอจะทําตอนที่เกิดเหตุการณ์จริงๆขึ้นมาเพราะเวลาเกิดเหตุการณ์จริงๆแล้วจะไม่มีกำลังที่จะทําใจให้เป็นอุเบกขาได้เราต้องซ้อมไว้ก่อนเราต้องทำไว้ก่อนทุกๆวันนี้เราควรที่จะทําใจให้สงบเป็นอุเบกขาอย่างน้อยก็วันละสักสองครั้งตอนเช้าตอนที่ตื่นขึ้นมา ก่อนที่จะไปทำภารกิจต่างๆหลังจากไหว้พระสวดมนต์ก็ให้นั่งบริกรรมพุทโธพุทโธต่อไปพยายามทำใจให้นิ่งให้สงบให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ตอนเย็นก่อนนอนก็เช่นเดียวกันให้ไหว้พระสวดมนต์ทำจิตใจให้สงบเป็นอุเบกขาจเจริญบทธรรมะที่สอนว่าสัตว์ทั้งหลาย มีการเป็นของของตนจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเช่นเกิดมาแล้วย่อมต้องมีความแก่เป็นธรรมดาย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาย่อมมีความตายเป็นธรรมดาย่อมมีการพัดพรากจากกันเป็นธรรมดาขอให้เรายอมรับความจริงอันนี้ ว่ามันเป็นผลของกรรมที่เรามาเกิดกันเมื่อมาเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพรากจากกันต้องมารับวิบากก ร, รมทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่ไม่ดีนะเวลาที่เราได้รับผลดีก็อยากไปหลงละเริงขอให้เราคิดว่ามันเป็นอนิสมส์ของการทำบุญ แ ล, ว, แลวต้องรู้ว่ามันก็ไม่เที่ยงมันหมดไปได้มันก็เดี๋ยวก็อาจจะมีผลของกรรมตามมาต่อไปเราต้องพยายามทาใจให้เฉยตลอดเวลาไม่ว่าเวลาที่มีความสุขหรือความเจริญหรือว่าเวลามีความเสื่อมมีความตกต่ำเราต้องพยายามรักษาใจของเราให้เป็นปกติให้ได้ อย่าไปดีใจกับการเจริญเพราะถ้ามีความดีใจเวลาเกิดความเสือ่อมก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าใจเราไม่ดีใจกับการเจริญเวลาเสือ่อมเราก็จะไม่ทุกข์กับการเสือ่อมเหมือนกับเวลาเราได้อะไรมาถ้าเราไม่ชอบเราไม่ดีใจเวลาเราเสียสิ่งที่เราได้มาไปเราจะไม่รู้สึกอะไร เรากับดีใจซะอีกเพราะว่าเราไม่ชอบสิ่งที่เราได้มาแต่ถ้าเราได้อะไรมาแล้วเราชอบเวลาที่เราเสียไปเราจะเสียใจดังนั้นเวลาเราได้อะไรมาที่ดีที่ชอบที่เราชอบเราต้องพยายามหักห้ามจิตใจว่าอย่าไปชอบเพราะว่าเวลาเสียไปเราจะเสียใจพยายามทำใจให้เฉย อย่าไปชอบอย่าไปชังเวลาได้รับสิ่งที่เราไม่ชอบก็อย่าไปชังทำใจเฉยๆว่าต้องรับมันไปตามความเป็นจริงเวลาเกิดเหตุการณ์ที่เราไม่ชอบขึ้นมาเราก็อย่าไปอย่าไปชังอย่าไปรังเกียจทำใจไว้เช่นเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ต้องทำใจไวใ้ให้เป็นอุบเบกขา ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราเราไปห้ามมันไม่ได้มันเป็นผลของการที่ตามมาจากการเกิดถ้าเกิดแล้วก็ต้องมีแก่มีเจ็บไข้ได้ป่วยมีตายเป็นธรรมดาถ้าไม่อยากจะแกะ่ไม่อยากจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่อยากจะตายก็อยากกลับมาเกิดนี่คือสิ่งที่เราจะต้องสอนใจของเราอยู่เสมอให้มี ความเป็นอุเบกขาแล้วชีวิตของเราจะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขท่ามกลางเหตุการณ์ที่ขึ้นที่ลงที่ดีที่ไม่ดีสลับกันไปในชีวิตของเหล่านี้จึงขอให้เราจงพยายามเจริญคุณธรรมทั้งสี่ประการคือพรหมวิหารสีนี้ให้มีอยู่ในใจของเราตลอดเวลา คือให้มีความเมตตามีกรุณามีมุทิตาและมีอุเบกขาอยู่ภายในใจของเราแล้วใจของเราจะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตน์ใหญและบุญกุศล